กับมดเรื่องราวนี้เกี่ยวกับช้างและมดกาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีช้างตัวหนึง่งเขาภูมิใจกับขนาดของเขามากเขาจะกวนสัตว์อื่นในป่าเสมอและล้อเลียนสัตว์ทุกๆตัวในป่าวันหนึ่งเขาเดินผ่านป่าแล้วก็เห็นนกแก้วอยู่บนต้นไม้เฮ้ <c oughs> hey. ทำอะไรนั่นั่นไม่เห็นฉันผ่านไปเหรอฉันมีพลังที่สุดในป่านี้เร็วเข้าก้มหัวให้ฉันสิอะไรไม่ต้องก้มหัวให้นายด้วยอะไรนะเดี๋ยวฉันจะสอนเองสอนให้รุ้ จ, จักเขารบฉันซะบ้างนกแก้วไม่ก้มหัวให้ช้างช้างโกรธมาก เลยยกทั้งต้นไม้แล้วเขย่าต้นไม้นกแก้วนั่งบนต้นไม้ไม่ได้ก็เลยหนีไปไปเลยไปบินหนีไปสิดูนะว่าฉันทำอะไรได้ฉันนะ่ะแรงกว่านายเยอะ <laughs> ช้างที่ยะโสก็เดินจากไปและเหมือนทุกทีที่มันจะเดินไปกินน้ำที่แม่น้ำ และข้างแม่น้ำก็จะมีรังมดเล็กๆอยู่ทุกวันมดจะไปเก็บอาหารที่นั่นและทุกๆวันช้างก็จะทำแบบเดิมกับมดวันนี้ก็ไม่ต่างกันช้างก็ไปกินน้ำและตอนนั้นช้างก็ได้เห็นกับมดพวกมดตัวเล็กเจ้าอาหารไปไหนเราจะต้องเอามันกลับร้งเพราะว่าฝนจะตกแล้วเราต้องเตรียมอาหารเอาไวนะ้ งั้นสิแล้วช้างก็ใช้งวงของมันดูดน้ำขึ้นมาแล้วรถใส่พวกมดน้ำทำอาหารของพวกมดเสียและมดก็ตัวเปียกไปหมดนี่หัวเราะไปเลยนะช้างเราจะสั่งสอนเจ้าเองวันหนึ่งนะโอ้ฉันกลัวตายละมดตัวเล็กจะสั่งสอนฉัาเหรอไปซะ ไม่งั้นฉันจะเหี้ยไผ่เละเลยกลับบ้านไปซะกลับไปมดกโกรธช้างมากมดก็เลยคิดว่ามดอยากจะสั่งสอนช้างให้เร็วที่สุดเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับช้างนี่แล้วมันจะรบกวนคนอื่นแบบนี้ไม่ได้แล้ววันถัดมามดก็ไปเก็บอาหารมากขึ้นแล้วเธอก็เห็นช้างหลับอยู่ เธอก็เลยคิดแผนออกขึ้นมาเธอแอบเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเข้าไปในงวงของมันเมื่อมดเข้าไปแล้วมันก็เริ่มกัดงวงช้างขั้งในกัดจนช้างตื่นขึ้นมาแล้วร้องด้วยความเจ็บปวดออกไปนะฉันเจ็บงวงอะนี่ใครกันเนี่ยออกมานะออกมาเจ็บอ ด, ดอดอดอดอดอดอดอดอดอด ก็เลยเริ่มกัดขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ช้างก็เจ็บมากจนร้องไห้ออกมาโอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ไปนะใครกันอยู่ข้างในออกมาหมดได้ยินช้างร้องก็เลยออกมาช้างตกใจมากที่เห็นว่าเป็นมดตัวนั้นที่เข้าไปกัดงวงช้าง มันกลัวมดมากและกลัวว่ามันจะโดนกัดอีกมันก็เลยรีบขอโทษมดอภัยฉันด้วยฉันจะไม่ทำอะไรเธออีกแล้วช้างเข้าใจว่าตัวเองทำผิดมันก็เลยไปจากที่นั่นแล้วมันก็คิดว่าจะไม่ไปกวนใครอีกเลยเห็นไ้ยล่ะไม่มีใครใหญ่หรือว่าเล็กกว่ากันเรามีความสามารถในแบบของเรานะ อย่าพอยองให้มากนะหัดช่วยเหลือคนอื่นบ้างเด็กๆจ๊ะได้เรียนรู้อะไรเรามีความสามารถของเราและจำเอาไว้เสมอว่ามดก็มีสิ่งที่ทำได้ซึ่งช้างก็ทำไม่ได้ใช่ๆเราเข้าใจแล้วฉันเห็นว่าเธอกลัวแซลลี่คนเดียวเพราะแซลลี่น่ะกลัวน้ำใช่ไหมจ๊ะขอทอดนะ เราจะไม่ควรแซลลี่อีกแล้วล่ะเพราะว่าเราจะช่วยแซลลี่เลิกกลวนน้ำดีมากเลยจ้ะหน้าภูมิใจมากๆเลย